Book 2 7 77เหตุผลบางประการสามทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมันยืเทบาสกินุจวาหดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะยายาหุยเยิมบ่มยืเทรบาสกินุจวาหทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะจา м ูเวญิปยาเจพีวะดิฉันต้องขับขรถค่ะรบยชกวชมชิน ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะยาเยฮุนิพิวบุ๋มนี่เตรียมจะชิคิราวัดมอชินนทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะชมูตินิพิษคาวูมันเย็นแล้วค่ะยาหน้นาขลาดเนี่ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ ยยย่พีบยลดนยทำไมคุณไม่ดื่มชาคะชาโมดิเนพิเอชฮารดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะอูเมญี่ยามัดซูดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะยยย่บอูเมญี่ ทำไมคุณไม่ทานซุปฉันไม่ได้สั่งค่ะทะ่ัไทไไทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ่ะ ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะยาวิท ย, ยาธิริยันดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะยาเนียมเมียศบุญยาวิท ย, ยาริยน